Thank you. ที่4กุมภาพันธ์2561การบรรยายที่อิวพุธสุน2สองวันนี้เป็นวันที่6ของการปฏิบัติพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายกนะารบรรยายก็จะเหลือหลักๆคือ3ครั้งในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าบรรยายสรุปปิด ในสามครั้งที่ยังเหลือก็คงเป็นการขมวดผลทางแห่งการพ้นทุกข์สี่ห้าหวันที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องทําความเข้าใจเรื่องของทุกข์ ให้เกิดทุกการเกิดขึ้นแห่งทุกทุกเกิดได้ยังไงในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายก็คือขทายการพ้นทุกทุกจะพ้นไปยังไงนะเอาล ะ, ะเพราะฉะนั้นในการบรรยาย3ามวันนี้ก็จะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นปัญญาการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c> ด <oughs> ัในเช้าวันนี้ผมจะเริ่มจากครูบาอาจารย์ที่พวกเราจนกระทั่งไม่ใช่แค่คนชาวพุทธแต่ก็เป็นที่เคารพไปทั่วโลกนั่นก็คือท่านอา จ, จารย์พุทธทาสที่ได้รับ สมญานามจากยูเนสโกจกอะไรขึ้นมานะเอาละทีนี้เราจะมาลองฟังคำบรรยายที่จะทำให้พวกเราเข้าใจขนไทการบ้นทุกข์ตามคำที่พระเจ้าตรัสฟังดูดีๆผมกล้าที่จะบอกว่าถ้าบอกว่าผมอยู่ในฝั่งสายธรรมะสายการปฏิบัติ ผมพูดเรื่องนี้ <c oughs> ประกาศเรื่องนี้เนี่ยมามานานจนผมก็ามาเพิ่งมาได้ฟังเมื่อไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้มาพบก็อย่างว่าล่ะท่านพุทธทาสบรรยายเอาไว้เนี่ยมากมายไก่กองนะถ้าจะบอกว่าเป็นซีดีเป็นตอนเนี่ยผมว่าต้องมีเป็นพันพันตอนที่ท่านบรรยายเอาไว้ในชีวิต แล้วผมก็ไปเจอซีดีชุดนี้ในตอนหนึ่งของพันตอนอะไรเงี้ยจึงนำมาขยายความให้ทุกคนฟังสู่ความเข้าใจนะเอาะเดี๋ยวลองฟังไปด้วยกันแล้วผมก็อาจจะขอหยุดบางช่วงเพื่อจะ <c oughs> อธิบายเพิ่มเติมสร้างความเข้าใจธรรมะชุดนี้เนี่ย ที่ท่านอาจารย์พุทธธาตบรรยายไว้ชื่อตอนคำพูดที่เข้าใจได้ยากเกี่ยวกับการละตัวกูของกูนะเป็น M.P.3 สการบรรยายในชุดธรรมะปาติโมกถ้าใครอยากจะลองไปศึกษาดูนะในชุดนี้เท่าที่ผมเห็นนะคือที่ผมได้มาก็มีอยู่สองตอนแต่ผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆมีกันอยู่กี่ตอน ทำมาัาติโมกในวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่อง เ, ออเกี่ยวกับตัวกู่ของกูในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาพูดพที่อาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพุทธภาษิต นั่นเองถึงหลักหรือขอ้อแคจริงหรืออะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> มาจนเป็นที่เข้าใจกันโดยกว้างๆว่าสิ่งที่เราจะต้องละต้องละวังต้องละต้อง หรือต้องทำลายก็ไม่มีอะไรเลอกไปจากสิ่งที่เราสมมติเรียกกันว่าตัวกูของกูนั่นสมมติตัวกูของกู้มาถึงเป็นพระอระหันต์ที่ปัญหาเกี่ยวกับคำพูด มันมีมีมากมีหลายชั้นแล้วยิ่งกว่านั้นอีกมีพุทธภาษิตที่ใช้เป็นหลักอยู่คือพุทธภาษิตที่ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จับเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่มันแสดงความหมายว่า ยังไงต่างผิดดูมันแสดงความหมายนในทานที่ว่าไม่ได้ทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรนอกจากเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบคืออะไรครับสำมาสำมาสำม า, ำมาที่เราท่องท่องกันนะสำมาทิฏฐิความเห็นชอบสำมาสังกัปโปความดำดิชอบชอบชอบชอ บ, ชอบ ความเป็นอยู่โดยชอบคือความเป็นอยู่ที่มีอริยมรรคมีองค์แปดความเป็นอยู่โดยชอบหรือทางสายกลางะทางสายกลางเดี๋ยวความหมายจะไปอีกด้านหนึ่งเขาเป็นว่าท่านกำลังพูดถึงความเป็นอยู่โดยชอบผู้ที่มีความเป็นอยู่โดยชอบผู้ที่มีอริยมรรคมีองค์แปดเข้ามาเป็นอยู่โดยชอบ มันจะมีความหมายลึกลับหรือลึกซึ้ง อ, อย่างไรถึงกับทำให้โลกไม่หวังจากพระอรหันต์ได้ที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่มันเป็นการการละกิเลสเป็นการตัดกิเลสหรือเปล่า คือเพียงแต่ว่าเราเป็นอยู่โดยชอบแล้วกิเลสมันก็หายหน้าไปเองไม่ได้เผชิญกันกับกิเลสเลยเมื่อเราเรียกมาไหว้หนูมันก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรกับหนูเลยเนี่ยมันเป็นไ ความหมายภาษาที่เรายังไม่เคยจะรู้กันว่าอะไรเป็นอะไรเราเข้ามาอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมก็ให้ทานสองมื้อมีข้อวัดที่ต้องตื่นมาทำวัดสวดมนต์มานั่งฟังธรรมเจริญภาวนา จรนก็ตั่งถื่นตอนเย็นก็าอาบน้ำฟังธรรมเจริญภาวนาแล้วก็นอนหลับไปในหนึ่งวันของแต่ละแตละวันที่ท่านอยู่มานี่หกวันหลับถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าความเป็นอยู่โดยชอบนะความเป็นอยู่โดยชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบท่านได้ฟังสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ดำริชอบที่จะไม่มุ่งร้ายเปลียดเปียนใครซึ่งท่านไม่ได้ทำเลยนะไม่ได้ทำละไม่ได้ทาอะไรแบบนั้นเลยนในคาว่าอาจา ก, กรามก็ชัดเจนนะกำลังอยู่เนี่ยเป็นอยู่โดยชอบสัมมาวาจาไม่มีปัญหากรรมันโตศีลข้อที่หนึ่งสองสามไม่มีไม่มีการกระทำอะไรเลยไม่ได้นึกจะอะไรไปด้วยซ้ำน ะ, นะอาชีวโวนี่หร อ, อาชีโว สัมมาอาชีว์เลยเนี่ยการใช้ชีวิตการคือเราอย่าไปมองเรื่องอาชีพการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมาถึงวายาโมถ้ามีความเพียรพอสมควรที่จะทำํำเช้าตื่นมามีความเพียรสติชัดเจนสมาธิชัดเจนเอาละนะถ้าเราดูรวมๆง่ายๆก่อนดีเทลเรายังไม่ต้องไปลงมากความเป็นอยู่โดยชอบ ทีนี้เรากลับมาดูความหมายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกําลังจะพูดถึงเมื่อเราเป็นอยู่โดยชอบมีการละกิเลสไหมเราต้องละกิเลสไหมกิเลสมีผุดขึ้นมาถูกไหมแต่เพราะความเป็นอยู่โดยชอบที่มีมาตรฐานอย่างนี้ยถ้าชีวิตของเราไม่เป็นอยู่โดยชอบชีวิตจะ ล, ะลงมาต่ํากว่ามาตรฐานแล้วเราก็จะอยู่ปนเปื้อนไปกับกิเลสนึกออกไหม เราอยากกินอะไรก็กินเดินไม่เปิดตู้เย็นก็กินนั่งดูทีวีเปิดอยากจะขับรถไปไหนอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะอะไรเฟนเฟซปุ๊บทุกอย่างนี่คือชีวิตที่ต่ําจิตต่ํากว่ามาตรฐานต่ํากว่าความเป็นอยู่โดยชอบเพราะฉะนั้นจึงทําได้ทุกอย่างปนเปื้อนไปหมดที่พระเจ้าใช้คําว่าการมุสุการณิการนิโยโคถ้าเราสวดธรรมจักรไปแล้วจากนั้นพอความเป็นอยู่โดยชอบกําลังมาใช้ความเป็นอยู่โดยชอบคือสัมมาทิฏฐิเอ่ะโทษอา่อา อริยกมกรยงแปก็เริ่มขยับขึ้นมาอยู่ตรงนี้เมื่อขยับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไอ้ของที่เคยคุ้นอยู่ตรงนี้เริ่มวุ่นวายไปหมดแล้วนึกออกแยังอ้าวก็อยากกินอ่ะก็บางทีก็พูดขึ้นมาอยากกินก็ไม่กินไม่มีได้กินแล้วก็ก็กินแค่2องมือก็กินน้ทีก่กิน แ, แรกๆก็พุพับุพุบพั บ, บ, พ บ, บ, พบขึ้นมาข้างใน ถ้านานไปกว่นนา น, ออ น, นี้นานออกไปกว่า น, นี้นานออกไปกว่า น, นี้อีกนานออกไปกว่า น, นี้อีกก็คงหายไปเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่โดยชอบไม่ได้มาละกิเลตแต่กิเลสทําท่าจะค่อยๆ อ, อ่อนแรงไปดูเหมือนจะละกิเลส น, นั่นแหละแต่แค่เป็นอยู่โดยชอบเนี่ยไอ้ที่เหลือทั้งหมดทําท่าจะปั่นป่วนแะทีกิเลสค่อยๆสไลายไปทีละตัวสองตัวเพราะฉะนั้น เมื่อเราต่ำกว่ามาตรฐานไม่ใช่ความเป็นอยู่โดยชอบกิเลส จ, จะเข้ามาคุกเข้าจนเข้ามาอยู่เป็นเนื้อเดียวกับเราจนคนทั่วไปอ่ะว่าฉันผิดอะไรฉันกินค ฉ, ฉันจะกินมีอะไรเหรอนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าว่าเป็นยังไงจนกว่าคง ม, มเนกข่ำ ม, มะก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่ที่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดอีกประเภทหนึงโอ้หไม่ไว้อาย่แบบนี้นะอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้กินทุกจะตายเพราะฉะนั้นเขาก็จะกลับไปแบบเดิม เพราะฉะนั้นที่ท่านพุทธทาสพูดถึงว่าแค่เราเลี้ยงแมวหนูมันก็หายไปเราไปทําอะไรกับมันเหรอเนี่ยนี่คือธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไม่มีใครไปทําอะไรกับใครเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีใครมีแต่ธรรมชาติที่เป็นอนัตตาเพียงแต่มันถูกทํามาอย่างนั้นฝึกมาอย่างนั้นเส้นทางมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยคุกเข้ากันเป็นอย่างนั้นเมื่อยกขึ้นมาปุ๊บ ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวไอ้ที่เหลือคล้ยๆมันก็ค่อยๆหล่นหล่นหลหล ล, ลงไปในที่สุดไอ้ที่มาข้างๆอยู่มันไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องหล่นนะเพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวคือใครจะอึดกว่าใครนะในเบื้องต้นเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเหมือนผมบอกผมเคยยกตัวอย่างสมัยก่อนเหมือนกับการเราเอาหนังกระติกหนั ง, ห น, งหนังกระติกอไปผูกหินแล้วเราลาก เราจะดึงมันยืดยืดยืดยืดยืดไปเลยหินไม่ขยับเลยยืดยืดยืดเราไม่ได้ต้องการจะเลื่อนเราต้องการดึงอย่างเดียวดึงดึงดึงดึงดึงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งถ้าคนนั้นไม่มีแรงหรือว่ายอมแพ้ก่อนนั้นกระติกจะดึงเข้ากลับแต่ถ้าเขาดึงไม่เลิกท้าหนังกระติกไม่ขาดด้วยนะหินจะขยับตามแล้วทีนี้จะเลื่อดเร็วเลยอู๊บเข้าไปเลย แต่ถ้าเขาดึงมันไม่เลื่อนคนที่เลื่อนกลับคือเขาเองแล้วเขาก็เสร็จมันเขาก็อยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้นี่ก็คือนักปฏิบัติก็จะมีทั้งเดินทางต่อมีความสัมมาวายโมคือความเพียรต่อเพียรต่อเพียรต่อกลับไม่ไหวแล้วฉันไม่เอาแล้วเบื่อจะตายก็วื๊กลับไปแล้วก็เวียนไหวตายเกิดต่อไปเอาละนะนี่คือคําเป็นความเป็นอยู่โดยชอบลองฟังต่อ ถ้าฟังแล้วเข้าใจท่านก็จะได้ดื่มดำแล้วก็อ้อยลึกลงไปลึกลงไปเรืเ่อยๆที่ละเอียดลงไปก็คือว่าเราก็ชอบพูดกันอยู่หรือพูดกันอยู่ทีเดียวว่าลักกิเลสหรือปางกีพูดมากกว่านั้นกว่าประหักประหารกิเลสเลย มันอาจจะเป็นเรื่องที่สลัวกันไปหมดก็ได้หรือไม่ได้เข้าใจอะไรเลยลึกลับรู้ฟังดูแล้วมันมันเข้าใจไม่ได้แม้แต่ว่ากิเลสเนี่ยต้องละหรือไม่ต้องละเราจะละกิเลสเป็นกล า, าหาันได้อย่างไร กิเลสมันเกิดขึ้นในใจประสบอารมณ์ตางๆต่างหูตสางจมูกเกิดขึ้นในใจแต่ในปัจจุบันนั้นมันมีกิเลสอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าอริยมรรคที่ไหนจะมาละกิเลสแล้วกิเลสที่มรู้สึกอยู่ในใจเ่ยในปัจจุบันรู้สึกในใจนั้นมันก็ไม่ใช่อนุสัย <c oughs> มันเป็นกิเลสที่ออกมาในทางกิตออกมาเป็นสู่ทวารแล้วมันเป็นแต่ละกิเลสชนิดนั่นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดรอแล้วว่าเชื่อต้องกิเลสมันก็ไม่ได้ถูกแล้วก <c oughs> ารพูดว่าละกิเลสละกิเลสมันคือแต่ละกิเลสข้างนอกทางกายทางวาจากิเลสอยากทางกิจกิเลส หน้าางกัาว่นอย่างนั้นส่วนกิเลสที่เป็นที่เรียกว่าอนุใส่นั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนออกมาให้เห็นแล้วจะละมันได้อย่างไรถ้ากิเลสจะไปฆ่าไปตีไปด่าไปว่านี่อ่ะมันก็อาจจะละได้ลึกขึ้นมาได้แล้วมก็ละได้หรือ ก, กิเลสประเตทนิวร์กำลังกําหนัดกําลังขัดเกลื่องกําลัง โง่ไรอยู่มันก็เจนละไปได้ <c oughs> แต่นี้มันละเพียงคุยของกิเลสที่เขาเชื่อกันว่า <c oughs> กิเลสท่านอยากกิเลสท่านกล้า <c oughs> แต่กิเลสท่านละเอียดคืออนอุตสัยยังไม่รู้อยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้ละตอนนี้ท่านโกรดไหม น้ำฟังเนี่ยไม่โกรธ ถ, ถ้าอยู่ๆมีใครมาดา่าครอบครัวท่านท่านโกรธไหมโกรธขณะที่ท่านโกรธท่านมีสติแล้วท่านกระลึกแล้วอ่สมมุติว่าความโกรธก็หายไปะนะขณะที่ท่านโกรธกิเลสชั้นกลางชั้นหยาบโผล่ขึ้นบนวิถีจิต อาจจะกำลังจะด่าสวนหรือด่าสวนนะเป็นกิเลสชั้นหยาบนะออกไปหยับหยาบถ้ามันพุดขึ้นมาในใจอาจจะชั้นกลางนะเกิดขึ้นมาแล้วสติเข้าไประลึกถูกไหมนัปฏิบัติสติเข้าไประลึ ก, ก, นะ เ, ลลกนะเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ที่ผมจะชี้จะได้ฟังท่านเข้าใจคือแล้วท่านบอกว่าแล้วกิเลสชั้นละเอียดที่เรียกว่าอนุสใสที่เรียกว่าชั้นละเอียด ตอนนี้มีไหมคือตอนนี้ไม่ได้กโกรธถูกไหมผมถามว่าตอนนี้มีโ卜อ่ะมีโทรสัพทไหมอ่านี่ยนี่นะอ่าล่ะเพื่อจะได้เข้าใจนะตอนนี้เรากำลังเรากาลังเราใช้วิธีคิดนะอาล่ะไม่เป็นไรหรอกท่านจะถูกจะผิดอะไรมันไม่มีคำว่าถูกผิดก็แล้วกัน เพราะท่านใช้วิธีคิดถ้ามันไม่มีท่านอาจจะอยากบอกอาจจะอยากพูดกับผมเพิ่มก็ได้มันมีเชื้อมันไม่ได้บอกว่ามีแต่มันมีเชื้อเอางี้แล้วกันนะคือมันมีเชื้อมันถึงได้ทําให้โกรธได้ถ้าวันไหนมันไม่มีเชื้อมันก็คงไม่โกรธเหมือนแผ่นดินอภูเขาไฟระเบิดอย่าเงี้ยถ้ามันไม่มีไอ้ตอมราวาอะไรที่อยู่ข้างหน้าไอ้ขมางแมกมาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คงไม่ระเบิดขึ้นมาหรอก ถ้ามันไม่มีเชื้อแต่เพราะมันมีเชื้อมันก็เลยตูมขึ้นมาให้เราเห็นทีนี้ไอ้ตอนที่เราโกรธขึ้นมาเนี่ยมันคือมันตู้มขึ้นมาแล้วแล้วเรามาเห็นข้างบนไอ้วันนี้ทุกคนก็ปลูกหญ้าทําสวนทําไร่กันไปมันยังไม่ระเบิดก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้สึกว่ามันดีนะไม่รู้สึกว่ามันดีท่านพุทธทาสก็เพาะพูดถึงกิเลสั้นละเอียดเนี่ยตอนที่มันไม่มีเนี่ยแล้วเราอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปชําระมันยังไง เราเร า, เราจะไปชำระมันยังไงไอ้ที่บอกว่าละกิเลสเราจะไปละมันยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจพอย์อยากคิดว่าอ้อฟังทำฝักไม่ท่านกำลังค่อยๆเปิดประเด็นไอ้ที่บอกว่ามีเชื้อนะ่ะถามว่าจะละยังไงอ่ะเออเราก็เออจริงไอ้ตอนฟังก็อู้เข้าใจเข้าใจเน็ตผมจะทิมให้ดูว่า เวลาฟังธรรมเนี่ยมันมีความตื้นลึกหนาบางของผู้บรรยายนะที่เขามีเงื่อนให้เราสังเกตชัน้นละเอียดถามตัวเองจะละอยนะ่างไรเราก็ใบเหมือนกันแล้วามาันั่งสมาธิละไหมพะ อ, ออกจากสมาธิโดนด่าอโกรธเออก็ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วนะก็ยังโกรธอยู่ลเลยแล้วทำไมเชื้อไม่หมดเออ ทำไมเชื่อไม่หมดลนะ่ะเอาละถ้างั้นต้องฟังต่อล่ะแล้วในขณะที่กำลังมีกิเลสอยู่อย่างนั้นนะใครทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นได้เอาละนะผมเบรกตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าขยายความจบแล้วท่านฟังต่อท่านจะได้เข้าใจเนื้อมาย้อนอีก ในขณะที่กิเลสกําลังเกิดสมมติว่าเรากําลังเกิดโทสะนะกําลังโมโ ห, โหกําลังโกรธวินาทีนั้นเลยนะขณะจิตนั้นเนี่ยโทสะเข้าประกอบถูกไหมในตอนนั้นมีอริยมรรคไหมไม่มีถูกไหมล่ะไม่มีเนี่ยที่ท่านพุทธทาสพูดถึงเนี่ยกําลังพูดถึงเนี่ยขณะที่เรากําลังเกิดกิเลสเนี่ยอริยมรรคไหนที่เข้ามาอยู่ตอนนั้นไม่มี แล้วก็เอเอจริงถ้ามีอริยมรักก็ต้องไม่มีกิเลสสิตอนนั้นสแสดงว่าถ้าตอนที่มีกิเลสก็ไม่มีอริยมรักแล้วเดี๋ยวท่านจะถามต่อไปว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอริยมรักหรือสติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือปัญญาเนี่ยจะเข้ามาเจอกับกิเลสตอนไหนเราไปคิดเอาเองรวมๆว่าพอเราโกรธแล้วมีสติแล้วก็หายนะสติเขเข้ามาจัด ก, การเดี๋ยวก่อน ถ้ามีสติตอนนั้นไม่มีกิเลสตอนมีกิเลสตอนนั้นไม่มีสติแล้วจะเจอกันตอนไหนเจอกันตอนไหนแล้วสติจะมาลักกิเลสตอนไหนครูบาอาจารย์กำลังพูดลงไปที่ขณะจิตนะไม่ได้พูดเนื้อเรื่องของธรรมะแล้วนะเพรนคนที่ฟังเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างเป็นขณะจิตแล้วนะเอาละ่ะ ถ้าอย่างนั้นอาจจะลึกเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์แล้วตอนนี้ยขไม่มีมันอริยมรรคก็ไม่มีโอกาสจะพกันกับกิเลสการที่พูดว่าอริยมรรคเป็นเครื่องกระหารกิเลสนั้นมันหมายถึงเมื่ อ, อไรกันนี่คือความเข้าใจยาก ผมเคยเตือนหลายคนแล้วว่าอย่าเอาเรื่องในหนังสือหรือคำพูด ท, ที่ท่องไว้เป็นหลักนั่นเป็นหลักไม่ได้มันต้องเอาไอ้ความรู้สึกในใจจริงๆหัวใจจริงมันจะเป็นหลักนี่แนะคืออย่าเอาความคิดรวมๆทำมากเคยฟังมาเป็นหลักนี่ของจริงอยู่ที่นี่เห็นกันเป็นขนาดนี่นักปฏิบัติที่ทรงฌานเนี่ยจะเห็นทุกอย่างเป็นขณะขนาดขณะ ะจะสงสัยเลยว่าสติกับกิเลสเจอกันตอนไหนเนี่ยอะไรมีอยู่อย่างไรเมืออนน่อกําลังมีกิเลสอยู่เดืดพลานเป็นไฟอยู่ในใจอรยิยมรกไหนอยจะมาละกิเลสนันนะ้นก็แล้วนี่กิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตมันไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีตัวตนอ่ะ สมมติว่าวางหูจบไปแล้วเนี่ยทะเลาะ ก, กับใครวางหูจบไปแล้วเนี่ยแฮะเมื่อกี้โกรธเขาจะตายอยู่แล้วกิเลสในอดีตไอ้กิเลสก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วยี่ไปพูดกิเลสในอดีตไม่มีตัวตนซ้อนกันสองทีเลยกิเลสในอนาคตอนาคตมีเช่นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันเหลือแค่ จะบอกว่าเหลือแต่กันปัจจุบันก็ปัจจุบันเนี่ยแหละก็มีอยู่แค่เนี่ยจะกิเลสไหนจะเป็นรากกิเลสไหนกิเลสปัจจุบันยังไม่เจอกันเลยแล้วจะเป็นรากกิเลสอดีตอะกิเลสอนาคตอะไรเนี่ยจะเริ่มเป็นภาษาที่คนในโลกนึกว่าพูดตะแบงตแบงไม่ใช่อ่ะเนี่ยของจริงเนี่ยของจริงที่คนในโลกกลับอ่ะไม่เห็นต่งางหากนักปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่เห็น ถ้าเอาแต่นั่งฟังทำก็เข้าใจกันแบบนั่งฟังทำนั่งฟังรวมๆกันไปอย่างนั้นอ่ะที่จะมาเห็นละก <c oughs> ิเลสปัจจุบันถ้ารู้สึกอยู่ก็ก็ไม่มีอรียมักอันไหนเอมาละเหมือนกันมันก็ยังเหลือแต่กิเลสประเภทที่เรียกว่านอนเนื่องอยู่ในสันดาห์แม้แต่อย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นปัญหาลึกลับ กิเลสที่นอนเลื่อนในสันดานลหรืกิเลสชั้นละเอียดที่ละเอียดไปมันก็ไม่มีอะไรเข้าไ ป, ไปเผชิญหน้ามันได้แล้วมันก็ยังไม่ได้เกิดกิเลสที่พอมีเหตุ่าใจัยแค่เกิดมันเกิดมาเป็นกิเลสกลางหรือกิเลสหยาบทุกขีไปนะเข้าใจแล้วนะอผมปูพื้นมาพอฟังตรงนี้แล้วเริ่มได้แล้วแสดงว่าอนุใสกิเลสชั้นละเอียดที่เราได้ยินว่านอนเลื่องอยู่ในสันดาล ท่านวุฒิธาตหรืยย้อนถามถ้ามันนอนเนื่องอยู่สันดาลแล้วใครจะไปเจอกั น, นแล้วพอโผล่ขึ้นมาเป็นชั้นกลางชั้นละเอียดตอนนั้นก็ไม่มีอมะไรมากพอมีสติพัวเข้าไปก็ไม่เจอกันในขณะจิตนั้นก็ไม่มีใครเจอกันเหลือแต่สติกิเล ก, ก็หายวับจะบอกว่าชำลากันเหรอ ไปดูที่ลักษณะใหม่แล้วถ้าตอนไม่เจอแล้วบอกเป็นเชื้อแล้วจะชำระกันยังไงจึงเป็นที่มาของหัวเรื่องนี้ไงอย่าว่าเข้าใจได้ยากเลยผมว่าคนทั่วไปเข้าใจไม่ได้ดีกว่าที่กน า, ายพูดว่าอิเล่นันละเอียด นอนเนื่องอยู่ในสันดานเนืินก็นไม่ได้เกิดไม่ได้ดับผมว่าเป็นคนบ้าเอาล่ะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผู้ที่แปลคำว่าอนุสัยจากภาษาบาลีมาเป็นคำแปลภาษาไทยแปลอย่างนี้จริงๆทําไมช่ท่านพุทธทาสคงไม่มีใครกล้าพูด กดกูเก l e เข้าไปดูคำแปลในพระไตรปิฎกได้เลยว่าอนุัยแปลว่าอะไรใครฟังอยู่ที่บ้านตอนนี้พักแล้วก็กดกู o g l e คำว่าอนุัยแล้วดูคำแปลในพระไตรปิฎกท่านเพื่อธาตุพูดตรงๆผมไม่ขอย้ำนะเพราะผมไม่อยากขึ้นเว็บยไม่มีอะไรที่เจอ เป็นสัตตตาหรือเที่ยงแท้อย่างนั้นได้มันมีแต่นิพพานอย่างเดียวที่ว่าจะพูดว่าเป็นของเที่ยงหรือสัตตตาคือมันไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับส่วนสิ่งที่ต้องเกิดจะต้องดับอย่างนี้มันก็เป็น <c> น <oughs> อนเนื่องอยู่ในต้นดานเป็นของ อยู่ตลอดเวลานอนเรื่องในสันดานเป็นของเท่นที่มันมีไม่ได้ก็ <c oughs> มีพุทธภาษิตจับถือว่าแม้แต่วิชามันกเพิ่งเกิดที่อะไรที่ว่ามันจะพอเรียกว่านอนเนื่องในสันดานได้ <c oughs> ผมจึงนะว่าคิดแตกันว่าอนุสัยหรือสัญญมน่ะอย่าไปเรียกมันว่ากิเลสหรือกิเลสท้านละเอียดเลย หมายด้ว่าความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสนั่นคืออนุสัยครับความเคยชินที่จะทำให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นอ น, อนุสัยไม่ใช่กิเลสที่นอนเนื่อง ถ้ากิเลสนอนเนื่องแปลว่าเป็นสตตะคำว่าสตตะแปลว่าไม่มีเกิดไม่มีดับท่านผ้าชงว่ามันมีที่ไหนแล้วมันมีที่ไหนของไม่เกิดไม่ดับมีแต่พระนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นมันเกิดความเข้าใจผิดเพราะไม่ได้เข้าไปปฏิบัติจนลึกลงไปเห็นแก่นที่แท้จริงว่ากิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จริงๆกิเลสเนี่ยมันมีอยู่แล้วเข้าใจไหมมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ในานามรูปนี้อยู่แล้วแต่มันแสดงผลได้หรือไม่ได้ต่างหากหอ่ะไปกินนี่ก็นกินไปเกิดอยู่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 เนี่ก็เป็นอาเสวนปัจจัยฝ่ายกิเลสเป <c oughs> ็นความเคยชินที่สุดจนเราไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรมาน่ารักหระอะไรมาน่าเกียดกโกรธหรือเกลียดนี่กความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนี้ในสิบอย่างของสัญญอด้วยอนุสัย นล้วถจะพูดสิบอย่างหร่อเจ็อย่างก็ทําใจผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยซึ่งคนในยุคนี้เข้าใจทุกคนท่านเข้าอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วระดับ 4G ในวันตอนนี้ท่านก็จะเคยคุ้นกับความเร็วนี้ถ้าวันไหนเสาอินเทอร์เน็ตแถวบ้านมันเกิดขัดข้องความเร็วมันลดลงเหลือสปีดที่ช้ามากเหลือ 1G 2G อะไรเงี้ย ท่านมันจะอืดลงมาทันใจเห็นเลยถูกไหมสมมติท่านเคยเข้าเว็บที่ท่านเคยคุ้นด้วยแค่นี้ปึ๊กบกดแล้วเดยกระตึกตึ๊กตึ๊กตึกไปงี้พอตึ๊กพอก็มันจะอ้าวยืนไปขึ้นรออืตอนนี้เห็นหรือยังว่าอะไรกระตุกขึ้นนั่นละ่ะแล้วก็อ้าวแล้วนะถอยล่างกลับไปดูที่ละขณะ ถอยล้างกลับไปดูทีละขณะจิตเลยนักปฏิบัติต้องเห็นเป็นขนาดจิตเนี่ยเขปึ๊กนะวินาทีต่อวินาทีเนี่ยมันเคยคําสั่งอัตโนมัติเพราะเคยคุ้นนี่คือความเคยชินเคยปุบแล้วสมมติว่าหนึ่งวินาทีกดอีกทีหนึง่งแล้วก็เข้าต่อไปได้อีกหนึ่งวินาทีกดอีกทีหนึง่งแต่ทีนี้พอหนึ่งวินาทีกดแล้วเนี่ยพอหนึ่งกำลังจะกดเนี่ย มันยังไม่ขึ้นสองสามตอนนั้นร้อนแล้วนะเนี่ยเขาเรียกตันหาคือตันหานี่ไม่ต้องพูดแล้วนะเรื่องกิเลสนะไปกันหมดแล้วนะคือทั้งอยากอยากพออยากไม่ได้ดังใจก็เกิดเป็นโทสะและ้วไอ้ที่ออกมาเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เสียงจุออกมาเนี่ยโทสะแล้วนะเพราะอยากไปก่อนแล้วแล้ ว, ลวไม่ได้ดังใจนี่มันไปหลายขั้นแล้วนะเพราะฉะนั้น เพราะความเคยชินที่เคยหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งตามได้เนี่ยสามสามวินาทีเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วเข้าสมมติเราเข้า a c e บุ o k ได้เลยเนี่ยแต่หนึ่งเนยเป็นไรดเดี๋ยวนี้ไอเสียงเนี่ยมาจากการขุ่นไปแล้วโทรศัพท์ประกอบจิตครบหมดแล้วโอ้ยะอาการทั้งหลายที่ท่านเห็นคนแบบนี้เนี่ยเขาไปหมดแล้วนะข้างในอะ่ะ กิเลสเผาล้นหมดแล้วนะโทสะมีใครรู้ตัวบ้างแล้วจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยต้องเปิดต่อไหมเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดเนื้อหมดตัวแล้วคนยังบอกว่าไม่เห็นทุกอะไรฉันเห็นทุกอะไรไม่ทุกบ้าไม่ที่กดยังตัวสั่นอยู่เลยนี่ยังไม่ทุกอีกเกนนะี่ยไฟเผาขนาดนั่นไม่รู้รนิ ด, นด <c oughs> ๆ น, นี่เขาเรียกจีบจีอาจารย์นี่ไงเพราะไฟระดับ เตาแก๊สนี่ยังไม่รู้สึกมันต้องโดนโลกันมหาวินาศตลกมันถึงจะรู้ว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่ร้อนนะเพราะมันทินแล้วมันเหมือนกบอยู่ที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะกบอยู่ในน้ําร้อนอะ่ะมันร้อนมาทีละวันสองวันกบไม่รู้เรื่องเลยว่ามันร้อนนะอุณหภูมิห้าสิบกบยังไม่ตายเลยแต่อยู่ๆจับ ก, กบไปใส่อุณหภูมิห้าสิบนักวิทยาศาสตร์ใส่นะไม่ใช่ผมใส่ โอ้โหจานอ่งฆ่าสัตว์อยู่เลยนะตายทันทีนะเพราะฉะนั้นนี่ไงความเคยชินเอาแค่ง่ายๆเนี่ยจะได้เข้าใจว่าท่านพุทธทาสพูดถึงอะไรไอตอนที่กำลังได้ดั่งใจเนี่ยเคยได้หนึ่งสองสามมาทุกวันทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยเสามันไม่เคยล้มมันไม่เคยันไม่เคยล่มเลยนะกดนาเนี่ยตึ๊กๆๆ๊ๆๆๆ๊๊ึ๊เนี่ยฉันมีเห็นอยากอะไรเลยเข้าใจยัง คนมีกินทุกวันวันละสามมื้อมีกินทุกครั้งที่มีตังจะซื้อเดินเข้าเซเว่นเซเว่นอยู่หน้าบ้านทำไมฉันไม่เห็นลมี่ฉันมเห็นมีโลพ้าอะไรเลยอยู่ไปเถอะเนี่ยผมถึงบอกว่ามันก็เข้าใจยากนะทัาหรอบคนทำไมอ่ะฉันดูทีวีแล้วไปตรงไหนอะ่ะแล้วถ้าไม่ดูไม่ดูก็ไปตามดูในเว็บเออ ก็มีให้ย้อนหลังดูพิโงโก้ร่งเท้าทำไมเออเห็นไหมมันมีที่ปิ้นปิ้นปิ้นลองรับลองรับตันหาลองรับตัหาไปเรื่อยก็เคยชินเคยชินแล้วจะยิ่งเคยชินหนักดูทีวีสองทุ่มครึ่งละครมาแต่วันนี้มันไม่มีมันเกิดมีธุระต้องไปงานด่วนสองทุ่มครึ่งไม่มีเวลาดูกิเลสมีที่ยืนต่อทีนี้ยืนต่อสูงกว่าเดิมด้วยเพราะได้ดังใจซ้ำก็ไปอีกรอบหนึ่งทีนี้ดังใจแบบดูที่ไหนก็ได้ โอ้โหมันยิ่งพอกคูนทวีผมถึงบอกวันนี้เนะ่ผมมองโลกนี้เนี่ยยากที่จะกลูกลับแล้วความจเจริญผมพูดทรูมาเข้าพอดีความเร็วของอินเทอร์เนต็ตยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ความชิบหายของมนุษยชาติมวลมนุษยชาติจะมากขึ้นเท่านั้นทางด้านของจิตใจ ดูแลเพิ่ม 4G เป็น plus ออก็เป็นตัวให้มันรู้กันไปอ้าวแล้วในวงการแพทย์ที่ใช้ช่วยคนล่ะดีแล้วใครว่าไม่ดีหรอเป็นความเคยชินที่พร้อมจะลุกออกมาอะไรถ้าเราทำลายความเคยชินนี่จะได้ ก็คือทำลายต้นตอของกิเลสทั้งหลายกิเลสที่จะออกมาทางกายทางวาจาทางจิตเป็นนิวรณนีมันก็ไม่มีกิเลสกลามออกมาเป็นนิวนะ์พอะั้งมาเห็นอะไรข้าวหน้ารักหน้าชังหน้าอล้ไหลวมันก็เกิดขึ้นมาถ้อกิเลสอยาไปจีไปด่าไปฆ่าไปอะไรเขา มันก็เพราะกิเลสเพราะความเคยชินแห่งกิเลสชนิดนั้นมันมีมากและคุณแรงนถนึงขนาดนะเนื่องจนความเคยชินของกิเลสแท้ๆที่เราเรียกได้โดยโอหัรสมมติว่านอนเนื่องอยู่ในสันฐานนอนรออยู่ในสันฐาน มันไม่ใช่ตัวกิเลส ท, ที่เกิดอยู่ในสันธ์มันเป็นเพียงความเคยชินเป็นนิสัยที่จะเป็นอย่างนั้นจนความจดจรับอารมณ์ประสบอารมณ์กระทบอารมณ์ความเคยชินนั่นมันจะทำหน้าที่มันทันที ความเคยชินในการที่จะโลภความเคยชินในการที่จะโกรธความเคยชินในการที่จะหลงก็จะแยกออกไปความโกรธความโลภความโกรธความหลงแย ก, ปกไปได้มากแล้วแต่ชื่อเราจะแจกเป็นอุปกิเลสสิบหกก็ตามนิวรห้าก็ตามหรือแม้แต่จะแจกตามชื่อสัญ ญ, ญุตสิบสกายชิตี 3, เป็นต้นก็ตามมันก็รวมอยู่ในโลภโกรธหลง ก็รตัดอำนาจอันนี้จะได้อำนาจที่มันที่เป็นความเคยชินอำนาจที่จะเป็นไปตามความเคยชินถูกตัดจะได้ครับกิเลสก็ไม่มีทางเกิดนันเราก็พูดว่าหมดกิเลสได้พูดว่าหมดกิเลสได้จริง อย่างนี้ข้ากับพระพุทธภาศิตที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบายโลกจะไม่ว่าจากพระอรหันต์็ว่ามันไม่ให้โอกาสที่ฟางเคยชินก้องกินเลสจะทำหน้าที่ของมันไม่เป็นอุทถัต่อไปอีกเห็นใจเจ้าขันใดขันหนึ่งก็ทําเป็นพระอรหันต์ คืคุณระวังให้ดีว่าไอ้ตัวคู้ของกู้นั่นแหละ <c oughs> คือความเคยชินที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นกิเลสกลางกิเลสหยาบแต่เตเรื่องไอ้ตัวกู้ของกู่คำเดียวนี้เป็นชื่อของกิเลสหยาบกระไรเป็นชื่อของกิเลสกลางกร ถ้าเป็นชื่อของกิเลสที่เขเรียกกันว่าละเอียดแต่ผมไม่เรียกผมก่อนผมก็เคยเรียกแต่เดือนนี้ผมมีกจะไปเรียกมันว่าความเคยชินของกิเลกถ้าเรียกวอนุสัยเรียว่าสังโยสมาเรามันเป็นความเคยชินของกิเลสที่ผูกพันใจิตใจเราหรือนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราเรามีความเคยชินอนนี้ คือความเคยชินที่จะเกิดกเลตามชื่อนี่นี่้ความเคยชินที่จะเกิดมากที่สุดก็ดคือความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทำอะไรลงไปตามมความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูทางจิตก็ได้ ทางกายวาจากระดับออกมาทัง้งกายถึงวาจาก็ได้คือมันออกมาเพียงแค่จิตสํานึกก็ได้แต่มันออกเลยมาออกทะลุเลยมาทั้งกายวาจาจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจากระไายนั่นความเคยชินบางทีเลยอยูตัวกูองคูเพาะมันจึงยากมากที่จะควบคุมทัน ก่อนจะีไปรักหรือไปโกรธขข้าวาปากก็พูดเทวว่าทั้งใจหรือว่าจะไม่โกรธก็ ม, มีอะไรมากผมิดิเดียวแรงเร็วกว่าสวิตไปฟ้ากินไปโกรธจะแน่มันไปตีขัวแตกแล้วหรือว่ามันไปข่าพ่อข่าแม่เขาแล้ว ในเมื่อเป็นผู้ที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบคือไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอยู่โดยชอบที่พออารมณ์มากระทบมันก็ไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปเสร็จแล้วความสติจะกกมาที่ไหนได้มันไปฆ่าเขาแล้ว นี่อาเรียมักไหนจะเกิดขึ้นแล้วแล้วแล้วค่ากิเลสชนิดนั้นจะชนิดหยาบหยาบหรือเป็นเพียงปฏิกริยาเของในความเคยชินในการเกิดกิเลสได้ได้มันก็ไม่มีที่มานั่งภาวนาว่าละกิเลสละกิเลสไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องนมาสงสารนมาหพวแลหนหรืนมาสุสทร เพราฉะนั้นถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบที่เราใช้จนเคยชินแล้วเราก็มาพูดว่าเราละ ก, กิเลสเราละ ก, กิเลสก็ละ ก, กันอยู่นั่นเราก็ละ ก, กันอยู่นั่นก็มันก็อยู่บนความเคยชินเดิมกันหมดมันก็ไม่ง่ายหรอกนะมันก็ไม่ง่าย ถึงจะเกิดความเข้าใจนะละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนการละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนเนี่ยมันมาจากการเข้าไปสังเกตเท่านั้นเองมันยังไม่ได้เริ่มละอะไรกันมากมายนะเพราะกิเลสที่ถูกละในพระโสดาบันเนี่ยมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดที่เป็นทิฏฐิมันเป็นความเข้าใจผิดทางด้านทิฏฐินะคือทิฏฐิคือความเห็นที่มันผิด เปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันถูกโลกใบนี้มันกลมอยู่แล้วแต่คนในโลกคิดว่ามันแบนตอนที่คิดว่ามันแบนมันเคยแบนไหมล่ะมันไม่เคยแบนวันหนึ่งพอเข้าใจความจริงเรียงอย่างเงี้ยเขาเรียกละความเห็นผิดพอเข้าใจความจริงมันละความเห็นผิดอ๋อโลกนี้มันกลมนี่แค่นั้นเองนะมันแค่นั้นเองในพระโสดาบันเนี่ยที่ว่าละ ความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันไม่เคยเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอยู่แล้วเข้าไปสังเกตด้วยหกวิธีตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็เห็นแล้วก็ละได้แล้วละความเห็นผิดนี้ได้แล้วเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วแต่ไอสัมมาอาชีวเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ย ทุกอย่างเริ่มสงบลงสงบลงถ้าเรายังสร้างความเคยชินในทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยสมมติท่านใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่อย่างเงี้ยด้วยความเร็วเท่าเนี้ยพอมันปุ๊บมันกระตุกมันปุ๊บมันกระตุกขึ้นมาข้างในปุ๊บมันกระตุกเอาละจนกระทั่งท่านสามารถภาวนาจนขึ้นถึงชั้นหนึ่งใช้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างในไม่มีขยับช้ากว่าช้าเร็วกว่าเร็วเป็นไปตาม นะั้นเป็นตามธรรมชาติเอาละทีนี้ข้างในเริ่มไม่มีการขยับแต่ว่าเมื่อข้างในไม่ขยับแล้วก็เมื่อข้างในเริ่มสงบสุขสงบสันติมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเป็นอยู่ที่ยังวุ่นวายเนี่ยจะยังอยู่ด้วยไหมผมถามแค่นี้คนที่หยุดจริงๆเนี่ยนะจะไม่ไหวอยู่กับโลกที่มันวุ่นวายแล้ว จะค่อยๆถูกจัดสรรไปอยู่ในที่ที่สมควรแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วผมเคยยกตัวอย่างว่ า, านักประดาน้ำเนี่ยที่ใส่ถางออกซิเจนใส่เวทสูตรกันแบบปิดทั้งหมดเลยว่ายน้ำผมวม่าที่เราเห็นภาพกันบ่อยๆในดิส c o v e r อรี่ดำไปดูซีมิลันดูอะไรน้ำทะเลถูกตัวเขาไหมไม่ถูกเลยออกซิเจนก็ส่วนตัวหมด ให้เขามาดำเล่นในคองแสนแสบน่ยทุกวันเช้ามาแต่งตัวโดดตู้มเรือหางยาววิ่งผ่านโอ้โหเป็นอะไรที่มันหวาดเสียวงดงามจริงๆแล้วก็วหวยดูถุงพ้าสติเสกเศษกระป๋องอายมขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ไหมครับ ท, ทั้งทั้งที่สิ่งสกปรกก็ไม่โดนเนื้อโดนตัวอะไรเลยออกซิเจนก็อยู่ในถัง ที่มีของส่วนตัวหมดไม่มีสิ่งเวดล้อมภายนอกเข้าถึงถ้าบอกว่ากระทบไม่มีกระเทือนเลยข้างในบริสุทธ์ผุดพองอยู่ด้วยเวทสูตรแล้วก็มีเครื่องป้องกันทุกอย่างไม่มีใครมาว่ายเล่นของแสนแบเข้าไปนู่นเลยซิมิลันมาวดีฟอะไรนู่นเลยเพราะฉะนั้นไม่มีคนอยู่ เราจะต้องระลึกนึกไปถึงสักพุตตะาสติที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบสร้างโลกไม่ว่างจากอาหารกันให้มากถ้าเราพยายามเป็นอยู่โดยชอบอยู่ตลอดเวลาทุกทุกครั้งใช้ใจข้าวออกมันมีการเป็นอยู่ตัวจริงที่เราเรียกว่าทำอนปาพาสติคือมีสติอยู่ทุกครั้งใช้ใจข้าวออกเนี่ยมันไม่มีช่องที่ว่า ความเคยชินของกิเลสจะแสดงบทบาทอะไรออกไปนี่มันก็เป็นการขยายความไม่มีกิเลสความไม่มีกิเลสความว่างจากกิเลสที่เป็นชั้นธรรมดาสามัญนี่ยาวไปยาวยาวอะตอนนี้ เริ่มแตกต่างออกจากความเป็นอยู่โดยชอบลงไปลึกอีกชั้นหนึ่งฟังท่านดีๆตอนนี้ก็อย่าลืมถึง เ, เรื่องที่เคยพูดมาแล้วเกี่ยวกับนิพพานาโดยกว้างขวางมีอยู่เป็นสามอย่าง ตาทางคณิพทานความประจวกเหมาะกิเลสไม่เกิดมึนเป็นตาทางคณิพพา น, นวิขำคณิพทานมามันก็มีเจตนาที่จะกาหนดหรือทำอะไรไว่าไม่ใจ่ความเป็นตุกเหมาะหรือเป็นตัวเองเกอยู่ในฌานในสมาธินี่ก็เรียว่า กิเลสไม่เกิดวางจากกิเลสความอริยขัมภณะอันนี้นะครเพื่อจะได้ฟังท่านรู้เรื่องเนะี่ยคือความที่ผมก็อยู่ในหน้าที่ทำหน้าที่บรรยายนะ ผมเห็นท่านดึงขณะที่บรรยายความเป็นอยู่โดยชอบอ ย, อยู่ดึงนิพพานเข้ามาแปะเนี่ยผมรู้เลยว่านี่แหละคือหัวใจอ่ะคือปูพื้นมาจนเข้าใจละเอาตรงนี้เข้ามาแปะลแล้วเราจะเห็นแล้วว่าความเป็นอยู่โดยชอบยกระดับจิตขึ้นสู่พระ น, นิพพานได้อย่างไรทีนี้ถ้าคนฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังท่านไปเรื่อยๆก็รึกว่าท่านบรรยายไปเรื่อยๆ นี่คือประเด็นที่ท่านกําลังจะยกแล้วก็ปรับเปลี่ยนและนี่คือจุดจุดที่เป็นทางสองแพ่งของการของการบรรยายเลยหลังจากนั้นจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นเลย ว, ว่าความเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยยกระดับจิตเข้าสู่พระนิพพานได้อย่างไรดูดีๆนะนี่คือนิโรธห้าที่พระเจ้าตรัสไว้เมื่อกี้ได้ยินท่านพุทธทาสพูดถึงวิขำพนะนิพพานก็คือนิโรธนรั่แหละ เมื่อกี้ได้ยินคําว่าตักทางคะนิพพานเมื่อกี้ได้ยินคําว่าสมุดเฉตนิพพานเอาละนะสองคำนี้ท่านไม่ได้พูดถึงเราพักไว้ก่อนเพราะว่าหลักๆจริงๆก็อยู่ที่สามคำนี้มาดูทีละคําไม่งั้นฟังท่านไม่รู้เรื่องวิคขำพนะนิพพานหรือวิคขำพนะนิโรธคือการดับอดข่มดับอิเลส ข, ของผู้บําเพ็ญฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป ย่อมข่มนิวรปราศจากการปราศจากอุศลอักุศลได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้นเอาละอันนี้แปลมาจากมีที่มานะมีที่มาแปลว่าอะไรขณะที่ท่านนั่งสมาธิท่านจะเคยสังเกตรหรือเปล่านะรู้ลมหายใจใจแวะไปคิดสติรละลึกกับมีกวลมนะแล้วก็อยู่กับลมหายใจ เมื่อวานผมบอกชาวต่างชาติไปเข้าใจไหมเข้าใจจากนั้นผมบอกว่าพอยไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจพอยอยู่ที่อยู่เห็นว่าความคิดดับไม่ใช่ตัวตวนเขาบอกขณะที่อยู่อยู่ลม อ, อยู่ที่ลมหายใจเขาเรียกเมดิเตชันนะ แต่ขณะที่อยู่เข้าใจว่าความคิดดับไม่ใช่ตัวตนเรียกว่า wisdom คือปัญญาที่จะพ้นทุกได้อยู่ที่นี่นะไม่ใช่อยู่ที่นี่อย่าไปหลงทำอยู่แค่นี้นะไม่งั้นห้าปีที่ไม่เจอกันเนี่ยอยู่จะมานั่งทำอยู่แค่นี้สาระอยู่ที่ wisdom นะเอาแล้วนะจากนั้น เมื่อนั่งสมาธิจิตใจสงบคนทั่วไปหัวทิ่มหัวต่ำลงไปอยู่ที่สงบแต่กลับไม่เห็นว่าขณะที่ความสงบเกิดขึ้นในฌานต่างๆใจปราศจากตัณหาที่บอกว่าโอ้แล้วก็จะมีความสุขจังเลยเขาลืมไปว่าคำว่าความสุขที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่จิตไม่มีตัณหาเข้ามาปน ี่เลตันหาส่งผลออกมาเป็นลูกสมุนชื่อว่านิวรห้านะตอนนี้ถ้าผมนึกผมจะนึกครบไหมเนี่ยมีอะไรปะอ้าพยาบาทก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมก็ลองยังบรรยายเรื่องนี้ต้นเอาล่ะสมองมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อ่าพยาบาทเป็นลูกของใครโพส การมราคะมีถูกไหมนิวรณ์ห้ามีหนึ่งกมรมมารคะเป็นลูกแครโลภะจะบอกว่าตัวเดียวกันทไม่ใช่ลูกก็มันนั่นแหละนะจะมาอ้างลูกอ้างลูกนะเพราะฉะนั้นโลภะส่งผลเป็นกามรารคะพยาปาทะที่เกิดในจิตนิวรณ์ห้ามาจากโทสะวิจิกิจชามาจากโมหะทีนามิทะมาจากโมหะ ละอะไรตัวนะอุทจักจักูกุจะมาจากโมหะเฮนนี่วห้ามาจากกิเลสหมดสามตัวที่มาจากโมหะแสบทุกตัวแสบทุกตัวไอ้ที่ซึมลึกเลยอะไรที่มาจากโมหนะน่ะเรียบร้อยลึกส่วนพวกโลภะโทสะนะ่ะของเด็กเล่นแต่แค่ของเด็กเล่นก็เอาตายแล้วแค่ของเด็กเล่นก็เอาตายแล้วในคนทั่วไป แต่ในระดับคนระดับทรงฌานเนี่ยไอ้สามตัวนี้ที่จะส่งลูกสมุนมาชื่อนิวรห้าเนี่ยทำงานไม่ได้เลยในเวลานั้นนะต้องเน้นคำว่าในเวลานั้นใ น, นี่กระบอกชัดเจนดับกดข่มคู่บาเพ็ญฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปตอนนั้นจึงรู้สึกมีความสุขมีปีติมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในต่ลฌานเป็นผลออกมาเป็นผลออกมา เนื่องจากไม่มีตันหานี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าหัวที่หมัวตําลงไปที่ความสงบแล้วก็เข้าไปติดความสงบแล้วก็อยากได้ความสงบผู้ที่หัวที่หัวตําปฏิบัติไปไม่มี wisdom เพราะ wisdom ก็ต้องไปเห็นกว้างๆหน่อยนะไปเห็นความจริงเห็นผลเห็นเหตุที่เกิดขึ้นเอาละเข้าใจตัวแรกตัวที่สองตะทางฆนิโรธ ดับองช์นนั่นนั่นที่เป็นคู่ปรับแธรทมตรงกันข้ามคือดับสักกายทิฏฐิชั่วคราวนะเน้นคำว่าชั่วคราวทีนี้มาดูตัดทางคานิโรธว่าเกิดยังไงเกิดตอนไหนในผู้ปฏิบัติขณะที่เรากำลังนั่งภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าท่านก็เนี่ยอยู่ในระดับวิคัมพณะนิโรธเนี่ยขณะนั้นขณะที่กาลังรู้ลมหายใจ มีผู้รู้รู้ลมหายใจก็คือผู้ถูกรู้เรามีไหมไม่มีอยู่ๆก็ไปสมอ้างว่าโอ้เรารู้ลมหายใจนะจริงๆไม่ ม, ม, มีเราถูกใส่เข้ามาปวดขาเนี้ยนั่งภาวนาเนี่ยปวดขานะ่ะเห็นสภาพปวดเกิดขึ้นสภาพปวดก็เปลี่ยนแปลงนะพอเข้าไปยึดถือก็อมีความทุกข์ประวางความยึดถือก็มีสภาพปวดนะใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรกับมันก็ปวดเท้าปวดไหมก็ปวด ใจต้องอดีตทุกอะไรกันก็เห็นสภาพอย่างเงี้ยตัวตนไม่มีถูกไหมเมื่อบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจนซึมลึกซึมลึกซึมลึกซึมลึกเข้าไปจนเกิดเกิดมากกว่าความเข้าใจเกิดมากกว่าความเข้าใจมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่เป็นการปล่อยนะเป็นการปล่อยวินาทีนั้นอยู่ๆมันพลุ คนคนั้นจะรู้สึกเลยว่ามันมันไม่ใช่หลายคนพอได้ยินอย่างนี้เนี่ยโอ้ชาตินดิฉันก็เป็นนะนั่งแล้วมันวูกคล้ายๆุรูบลงไปงนี่น <c oughs> <c oughs> ะอันนั้นก็เรียกตกผวังแล้ว <c oughs> แต่ว่าอะไรตกผวังนะจ๊ะคือมันหลับไปชั่วขา่าว <c oughs> <c oughs> จิตมันหลับไปชั่วข่ับแต่รู้รู้สึกเลยเนะว่าไม่ได้หลับเออจิตมันหลับแต่กายไม่ได้หลับอ่ะยิงงงกันใหญ่ มีคนชอบมาถามจริงในคาถามเนี่ยแล้วท่านั่งก็เจอในหกวันเนี่ยยังไงก็ต้องเจอเกับทุกคนอ่ะปุ๊บฉันโอ้ฉันไม่หลับนึกหลับไม่หลับยังรู้ตัวอยูย่เลยยังคิดยังคิดอยูทุบปลุกไปออันนั้นจิตมันหลับจิตมันดับปุ๊บนะแต่นี่แต่ยังมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อย่าอย่าเพิ่งเอาไปปนกันเพราะมันจะคนเราผมต้องบอกกติดแต่สภาวะธรรมนี่ อ๋อ oh, ใช่ใช่เออฉันก็เคยเอ่าล่ะเห็นไหมเริ่มดึงเข้ามาหาตัวละทีนี้กลายเป็นสภาวะธรรมของกูละทีนี้เลื่อนช้าแล้วนะเนื่อนช้าแล้วนะโอ้โหมาพค้ดอาจารย์นี่ยอดเลได้สภาวะธรรมเนี่ยเราไปคุยกันอีกไปคุยกันอีกก็อ้าวอยู่ๆผมก็ได้แต้มขึ้นมางั้นคุณนั่งเองคุณเดินเองแต่บอกมากค้ดอาจารย์ตาเสริฐโอ้โหเข้าใจเกิดได้แต้มขึม้นมา แต่ผมอะได้แต้มคุณให้ให้ให้เครดิตแต่คุณอะเสียแต้มกลายเป็นเข้าไปยึดถือของที่เป็นธรรมชาติซวยหนักเข้าไปใหญ่ของเดิมก็ยึดอยู่แล้วนั่งไปยึดผมต้งบอกไอ้สภาวะธรรมเนี่ยจริงๆถ้าแปลโดยศัพท์มันไมไ่มีปัญหาอะไรหรอกปัญหาคือคนเข้าไปยึดถือขันนี่ก็ไม่เคยมีปัญหาปัญหาคือคนมันเข้าไปยึดถือมันก็ทุกขันนี่แหละ อะไรอะไรมันก็ไม่เคยมีปัญหาวันมีปัญหาตอนที่เราเข้าไปยึดเนี่ยอะไรอะไรเราก็เข้าไปยึดหมดวันนี้จะมาปล่อยก็ไปยึดจะปล่อยก็ยึดจะปล่อยไปยึดความรู้ก็ยึดเอาละทีนี้พอเป็นวิส -dom เนี่ยหรือปัญญาเนี่ยเพื่อจะให้มันปล่อยที่วันหนึ่งมันเกิดอยู่ๆคนหนึ่งเข้ามาไลา่ผมฟังผมก็พยเล่าเรื่องใครเล่าแต่เรื่องเขาเนี่ยนึกอะไรไม่ค่อยออกนะเขาบอกเขานั่งคุยกับแม่เขาขณะที่นั่งคุยอยู่เขาเป็นนักภาวนาแต่ตอนนั้นเขาเขาไม่ได้ทําอะไรเลย อ่ะแล้วเาก็้ลยผมฟังต่อก็ลังนั่งคุยกับแม่คุยๆอยู่ดีๆวุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเขากระโดดคว้าตัวแม่แม่หายไปไหนแม่หายไปไหนแม่ก็ตกใจแล้วดึงเข้ามากอดแม่อยู่นี่รูกเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เรื่องงงๆเขาก็ร้องไ ห, ห้ใหญ่เลยวันนั้นเจอผมก็เลยมาถามอานาหนูเป็นอะไรอ่ะ จริงคนเราตไม่ต้องถามผมเี่เป็นอะไรก็น่าจะมาบอกผมว่าคุณเป็นอะไรนะอยู่ๆก็มาถามผมว่าเป็นอะไรเห <c oughs> มือนกับอาจารย์นี่หนูกินข้าวท้องลงหนูอิ่มยังเนี้ย <c oughs> หนูอิ่มไหมเนี่ยยังไงวะนะใครควรจะเป็นคนบอกใครเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ต้องถามผมอยู่เรื่อยเลยฮะเอา่ะเขาก็มาถามผมผมก็เลยบอกก็เลยช่วยบอกครับ แล้วแม่หายไปจริงเหรผมก็ถามนะไม่แม่อยู่ก็ตึยงกระโดดกอดแม่อยู่เลยแต่ทั้งมันอะไรมันเป็นอะไระมันมีสิ่งปรุงแต่งในความเห็นที่ตัวแม่เนี่ยหายไปมันจิงเข้ามาอยู่ตรงนี้ดับสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในความเป็นตัวตนชั่วคราวสุป แล้ววุ่นกลับมาใหม่เลยแต่อุ๊บเอาละเพราะฉะนั้นการดักสักยะทิฏฐิลงไปชั่วคราวเนี่ยมันมีผลมากตอนน่อจิตต่อให้เขาไม่มาถามผมเลยนะพอผมอธิบายเขาอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไรบอยบอกให้เลยไรบอยเขาจะถามหรือไม่ถามเขาจะสงสัยแล้วก็ทิ้งความสงสัยนั้นไปเลย จิตได้สัมผัสแล้ว ร, ล ร, รู้แล้วจิตมีธาตุรู้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยถูกหลอกแต่เขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วไม่ส่งความความเข้าใจนี้หรืออะไรทั้งสิ้นเพราะเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้มีตัวตนจะนั่งวิเคราะห์แต่เขามีแค่ธาตุรู้ ที่จะต้องส่งต่อมาให้เราเข้าใจอะไรไม่มีไม่มีส่งย้อนกลับมาที่ระดับสมองถ้าวันหลังจะไปเข้าใจต่อไปเข้าใจจะไม่เข้าใจก็ไม่ได้สนใจเพราะการรับรู้รับรู้ไปเรียบร้อยแล้วรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวกับความเข้าใจของใครแล้วพฤติกรรมจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองเพราะพฤติกรรมมาจากข้างในไม่ได้มาจากความคิดความคิดที่ไปสวมพฤติกรรมน่ะเป็นของปลอมแต่เดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาจากของจริง ที่เป็นจิตไร้าสานึกเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเข้าไปรับรู้ประทับความรู้สึกนั้นด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยเกิดพยายามจะคิดว่าตัวเองเกิดก็มีเกี่ยวจะพยายามคิดคิดคิดโอ้เข้าใจแล้วโอ้ฉันเข้าใจดื้มดังนี่จิงทีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันจะมีผลหากการะทําที่ถูกต้องแล้วเกิดประสบการณ์นั้นเกี่ยว แต่ไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ต่อให้ไอ้นี่รู้เรื่องไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมละ่พะพอวันนึงเกิดขึ้นสมมติว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาขาขาดขึ้นมาก็พยายามคิดว่า อ, อขาไม่ใช่เราก็เลยแล้วก็นั่งร้องไห้ทาไมขาไม่ใช่เราทําไมทําไมฉันยังทุกข์อยู่อเห็นไหมมันเริ่มแย้งกันละพยายามคิดว่าขาไม่ใช่เราแล้วทําไมฉันยังทุกข์อยู่เนี่ย มันแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่อย่างเงี้ยถ้าจิตมันไม่ประจกักษ์ด้วยตัวเองแล้วใช้ความเข้าใจที่เป็นสัญญาเนี่ยมันออกจะกทุกไม่ได้ก็พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกอย่าปฏิบัติด้วยสัญญาอย่านั่งฟังทำด้วยสัญญามาปฏิบัติจริงๆให้เกิดประสบการณ์จริงครั้งนี้ก็แนะนําการนั่งปฏิบัติแบบให้มันถึงลูกถึงคนถึงแข่นกันแล้วก็ชี้นำไปไปก่อนมันก็ตามเองแหละนะมาถึงตัวสุดทา้าอยตัวที่สาม สมุติเฉตที่โรดดับโดยเด็ดเสร็จเด็ดขาดดับกิเลสด้วยโลกุต ร, รมะมักเอาละแค่ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอเดาออกแล้วถ้าพัวลงมาสมุติเฉตเนี่ยไอหนึ่งหรือสองเนี่ยยังเป็นการกระพิบกระพิบกระพิบกระพิบแล้วก็จะกระพิพถี่ขึ้ น, นเรื่อยๆอะสมุติเฉดก็จะกระพิพถี่ขึ้ น, นเรื่อยๆเพราะถ้าภาวนาไม่หยุดความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดจะเกิด ผนก็จะเกิเกด resistor, จะเกิดจะเกิดจะเกิดจะเกิดจากจุดจากจุดนานานาเกิดเป็นจุดนานนานเกิดเป็นจุดก็จะเริ่มจุดจะเริ่มถี่ขึ้นเป็นรอยปลาจากรอยปลาจะกลายเป็นเส้นล่ะทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นเส้นนะแต่มันคือรอยปลาที่มันติดกันไม่มีอะไรเป็นเส้นทุกอย่างเกิดเป็นขนาหมดเพราะฉะนั้นท่านว่าฟ้าแลบสว่างไหมสว่างแล้วก็มืดเลยถูกไหมแล้วถ้ามันแวบ อีกห้าอีกห้าวินาทีมันอีกแวบอีกห้านาทีอีกแวบมันก็เริ่มสว่างแล้วก็มืดแล้วเดี๋ยวก็วับสว่างขึ้นมาใหม่ครับแล้วถ้ามันวบัวบทุกขนาดเลยทุกวินาทีอถ้ามันพากันไม่หยุดเลยอ่ะมันจะสว่างต่อเนื่องนะนีดสว่างต่อเนื่องสมุดเฉดเนี่ยโครมเดียวนะหลังจากนั้นสว่างต่อเนื่องเลยมืดจะไม่มีปกคุมอีก ก็ยังมีบ้างเพราะมันยังอตปทานในการอันนี้ดับเบ็ดเสร็จนะโลกุตละมักคเดี๋ยวเราจะย้อนไปฟังท่านอาจารย์พุทธทาสผมคิดว่าอีกจะเปิดอีกนิดหน่อยน่าจะท่านอนุมานได้ละว่าทำไมอริยมรรคมีองค์แปดความเป็นอยู่โดยชอบที่เข้าไปลกความเคยชินจึงนำพาไปสู่พระนิพพาน นี่ก็อย่าลืมถึง ừ, เรื่องที่เคยพูดมาแล้วเกี่ยวกับนิพพานโดยกว้างขวาง ม, ม, มีอยู่เป็นสามอย่างตทังคณนิพพานคว <c oughs> ามประจบเหมาะกิเลสไม่เกิดนั่นเป็นตทงนังคานิพพาน วิคขำพั น, นิพาณมามันก็มีเจตนาที่จะำกำหนดหรือทำอะไรไว้ไม่ใช่ความเป็นปสุดเหมาะหรือเป็นไปเองเกิดอยู่ในฌานในสมาธิ น, นี่เรียกว่ากิเลสไม่เกิดว่าจากกิเลสเพราะอำนาจวิคขำมภนธะอันนีน้ แล้วก้อนที่แท้จริงที่สามคือสมุทเฉทเนิพานซึ่งเขาจะพูดกันว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสสําหลับไปแห่งกิเลสท่านละเอียดเึกซ้ายนีกึก็ตามผมพูดว่าอความสิ้นไปแห่งความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสเพราะว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสผม พ, พูดคลุมคลุมให้ฟังง่ายมันต้องขยกาย ว, ว่าความสิ้นไปแห่งความเคยชิน ที่จะเกิดกิเลสชนิดนะั้เี่ยพูดให้ภาษาจิตวิทยาหรือภาษาวิทยาการทางจิตให้เห็นชัดมาไปแล้วก็ไม่ผัดกันกับข้อที่ว่าทำลายอนุัสหรือสังโยชน์ได้ ง, ง่ายเลยนะถ้าทุกคนเคยชินในการเคยเคยตบยุงกันทุกคน ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เล็กๆเด็กๆมันพยุงกัดจี้จี้จี้นี่คือความเคยชินจนเป็นอัตโนมัติที่ผมเคยมาบรรยายบอกว่าเราไม่มีสติรู้สึกตัวเลยฉันก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะตกนตกโดยอัตโนมัติถูกแล้วมันเป็นไปตามอัตโนมัติมันเป็นไปตามอัตโนมัติไปหมดแล้วเป็นไปตามอัตโนมัติทีนี้เมื่อเป็นไปตามอัตโนมัติ อื่นๆมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติกันหมดนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวอื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆทุกอย่างมันจะอยู่ปนกันอยู่ในความเคยชินเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงมันเคยอื่นๆมันจะเข้ามารวมกันที่เรียกว่าอนุสัยเนี่ยห่ะเพราะฉนชีวิตมันจะเหละมันจะเรียกอะไรแฉะแบะที่แบบอยู่กับความเคยชินขั้นหยาบหยาบชั้น ที่พรจ้าเรียกคือหยาบจนเรียกปาปชนเรียกปาปชนคนพวกนี้มันทําบาปจนชินนจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นบาปเพราะฉะนั้นถามว่ามันร้อนไหมไม่รู้ตัวแล้วมันไม่รู้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นนรกเป็นที่หมายเพราะจิตมันคุ้นเคยชุ่มร้อนส ก, กปรกเรียกว่าอาสวะหมักดองเนี่ยอยู่ด้วยอํานาจของความเคยชินอันเกิดจากกิเลสเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าทําอย่างนั้นพอนิดนึงก็ไม่รู้สึกผิดด้วยไม่รู้สึกผิดด้วยเอามันก็ดีดิจ้าทาให้รู้สึกผิดที่มีคนถามนะพระอรหันต์ในอดีตในสมัยพุทธกาลคนที่ทําผิดโดยรู้ว่าผิดกับคนที่ทําผิดโดยไม่รู้ว่าผิดใครจะผิดมากกว่าหรือใครจะบาปมากกว่าถ้าคนในยุคปัจจุบันก็โอ้ทาผิดทั้งที่รู้ว่าผิด่ะตัวแสบ ไอ้คนทําผิดเพราะมันไม่รู้เนี่ยก็ยังพอให้อภัยก็มันไม่รู้ถ้าหันไม่ตอบอย่างนั้นท่านบอกว่าคนทําผิดโดยไม่รู้ว่าผิดคนคนนั้นจะทําผิดไปชั่วนิจิรันต์มันจะลงนรกถาวรมันจะทําผิดชั่วนิจิรันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันตบยุงแล้วมันยังไม่รู้ว่าผิดมันฆ่าสัตว์มันยังรู้ว่าผิดนะมือปืนรับจ้างยิงคนอทําสำมาอาชีพแบบมีอะไรอะนะก็ จะตกยุงจนมันยิงคนได้ทำไมอ่ะก็ทุกคนก็ทำมาสามาอาชีพโจรหลายคนที่เดี๋ยวนี้ก็สัมภาษณ์ทำไมแล้วทำไมผมต้องไปขอโทษก็ด้วยมันก็เหมือนผมตกยุงอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันเริ่มด้านชาลงไปหมดแล้วแล้ววันนี้โลกกำลังไปทางเดียวกันเด็กเดิกลูกของท่านต่อไปเนี่ยคำพูดหนึ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือว่าจะเรียกพ่อแม่ว่าคุณ จะไม่เรียกพ่อแม่จะเรียกชื่อแล้วเติมหน้าคําว่าคุณเมื่อ น, นั้นคําว่าคุณในจิตใจของคนพูดจะเท่ากับคุณคนอื่นจะไม่มีความรู้สึกเป็นพ่อแม่อีกพ่อแม่แค่สมสู่กันเฉยๆจนเขาคลอดออกมาพ่อแม่ไม่ได้ต้องการมีเขาแค่พ่อแม่ต้องการมีเซ็กกันเฉยๆ เมื่อพ่อแม่มีเซ็กกันแล้วมีผลผลิตออกมาแล้วทําไมผลผลิตนั้นจะต้องไปให้ความเคารพย่างเกรงอะไรกันมากมายเขาไม่ได้ต้องการจะมีลูกอะไรเขาคุมกันแทบตายกันอยู่แล้วแค่หลุดออกมาเฉยทําไมต้องเรียกพ่อแม่ก็คุณคุณกอคุณขอเหมือนคนอื่นะเมื่อนั้นมนุษย์จะเริ่มหมดความรู้สึกต่อครูบาอาจารย์ต่อพ่อแม่ต่อญาติพี่น้อง ต่อภรรยาของอาจารย์จากนั้นเมื่อถึงจุดจุดนั้นพ่อแม่จะสมสู่กับลูกได้เหมือนแพะแกะมาลาเพราะไม่มีความรู้สึกต่อความเป็นพ่อแม่แล้ววันนี้พ่อท่า น, นึกไม่ออกตอนนี้ให้ท่านไปสมสู่กับลูกชายนะเอาแม่ึกไม่ออกเลยแต่เริ่มมีแล้วนะข่าวเริ่มออกมาเรื่อยเรื่อยเมื่อมีหนึ่งจะมีร้อยจำไว้เลยเดี๋ยวจะเริ่มลามไปหมดเดี๋ยวจะเริ่มลามไปหมดฝรั่งพูดอย่างนี้ พ่อแม่ก็พยายามที่จะทำตามก็เดีย๋ยวนี้ก็เป็นเพื่อนกับลูกนะมันจะได้เข้าถึงเข้าใจกันก็พยายามเป็นเพื่อนกับลูกลดระดับความเป็นพ่อแม่ลงให้เป็นเพื่อนเท่ากันต่อไปมันก็เรียกคุณควมเรียกคุณยุคท่านอาจจะไม่เจอยุคลูกของท่านมีลูกก็จะเรียกคุณนะันก็เท่ากันไปเที่ยวด้วยการพยายามแม่แกก็พยายามจะทาตัวเด็กเห็เท่ากันนะแต่งตัวก็ให็บ้าเหมือนกัน นะจะได้เท่ากันแต่มันก็เท่ากันพอมันเท่ากันมากๆก็เท่ากันเลยทีนี้ก็เท่ากันมันก็ลามนะทีเนี้ยลามนะ่ะพระเจ้าก็ตรัสเอาไว้หมดอะ่ะจนมนุษย์มีอายุเหลือสิบปีนะหมดคําว่ากุศลหมดมันจะถูกทําลายไปทีละน้อยละน้อยกับแทนพวกนี้ยถูกทําลายไปทีละน้อย เดี๋ยวจะต้องคงต้องค่อยๆรีบสรุปแล้วล่ะนะเพราะว่าทีนี้เมื่อเมื่อนิพพานในแต่ละจุดแต่ละจุดเริ่มขยายมากขึ้นจากความเป็นอยู่โดยชอบจะไม่ค่อยมีกิเลสเข้ามาปะปนเมื่อไม่มีกิเลสเข้ามาปะปนตัณหาก็จะไม่เข้ามาปะปนเมื่อตัณหาไม่เข้ามาปะปนความสม บ, บในใจระดับที่หนึ่งสองสามหรือระดับที่สองก็จะเกิดมากขึ้นก็จะเห็นความจริงมากขึ้นเป็นลําดับ อย่างที่ผมบอกจากจุดห่างๆเริ่มเป็นจุดที่ถีขึ้นถีขึ้นแค่เป็นอยู่โดยชอบแล้วก็ห่างจากกิเลสไม่ได้เข้าไปเคยคุ้นกับมันไม่เคยคุ้นกับมันแล้วอ่ะที่ผมยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเราเคยตบยุงแล้วเราก็ต้องฝืนใจเราเห็นโทษภัยแล้วเราพอกรรมปุ๊บเห็นไหมว่ามันง้างแล้วมันก็สติ ง้างต่ำลงสติใจไหววุบแต่มือไม่ง้างดีกรีของมันเริ่มเปลี่ยนไปจากไหว้5แต้มเหลือไหวสองแต้มเหลือไหวหนึ่งแต้มจนยุงกัดใจไม่ได้ไหวอะไรแล้วก็ปัดปัดออกไปเห็นไหมจับไม่รู้ตัวเลยจนจนจนจน จนจนแล้วก็ปัดอริยมรรคยงแปดไม่ได้จัดการแค่ตรงสติแต่จัดการทั้งระบบรวมถึงสัมมาทิฏฐิจะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเมื่อท่านเข้ามาอยู่ไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันถือสีนฉ่านไม่ตกอ่ะนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น พอเริ่มตกปับ๊บมันก็จะกลายเป็นชินกลับไปในอนุสัยตอนนี้กินสองมือ้อเดี๋ยวก็พอกลับไปก็กินสามมือ้อก็กําลังพอมันกําลังจะเข้าอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะสองมื้อดีไงเหรอนั่นจะเริ่มรู้จักว่าเมื่ออะไรไม่ได้ดังใจ แ, แรกๆก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นความผิวที่เป็นเวทนาก็เวทนาก็เหมือนนั่งปวดขาสุดท้ายเวทนาที่เข้ามาก็ไม่ได้ก็เป็นเวทนาแต่ไม่ได้มีใจไหวหวั่นอะไร มันสุดท้ายนานออกไปอีกก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเวทนาคนที่นั่งอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเวทนาอะไรนั่งมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะจนมันสลายกลายเป็นธรรมชาติไปก็มีความรู้สึกไหนที่ต้องมานั่งดูนั่งรู้อะไรมันก็สลายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติกันไปหมดมันก็เป็นธรรมชาติกันไปหมดแล้วใครจะทุกข์อะไรกับอะไรกับธรรมชาติไม่มีต้องมานั่งดูธรรมชาติเหะไม่ดูทำไมธรรมชาติถ้าดูธรรมชาติก็ไม่ใช่ธรรมชาติสิ แต่อย่าลือย่ารีบทิ้งแลกันอ๋อนันก็เป็นธรรมชาติกันไปดูอะไร ก, ก็โง่เท่าเดิมเลยโง่เท่าเดิมเลยทีนี้นะอย่าทิ้งก่อนนะ่ะฟังทำเนะ่ะผมพูดจนจบนะใครอยู่ตรงไหนก็ทําตรงนั้นนะอย่าไปโอ้เราต้องการขั้นสุดยอดตลอดอนะ่ะอะไรอะไรก็มีทางลัดไม่ทางลัดไหมไม่มนนีทางลัดอนะนี่อะทางลัดจะสอนใครให้เลิกกิเลสจะให้ผมทําให้เหรอ ถ้าท่านเคยชินกับการอ่าการการดูทีวีอ่ะแล้วอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อยดิแล้วผมจะไปแก้ได้ไงพอดูทีวีแล้วท่านก็เกิดอารมณ์แล้วคุณไม่เลิกทีวีคุณเลิกไม่ได้อะอแล้วทายให้ผมทําไหนแต่ท่าพยายามจะละ ก, กิเลสแต่ฉันจะดูทีวีอย่างเงี้ยนึกออกไหมวันนี้เขาปฏิบัติทามกันอย่างเงี้ยคือฉันจะเอาเหมือนเดิมอะแต่ฉันก็จะเอานิพพานด้วย คือฉันจะทําเหมือนเดิมอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยทุกวันที่ปฏิบัติกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ที่ครูบาอาจารย์ลากลับบ้านหมดแล้วเนี่ยคือท่านกลับป่ากันหมดแล้วเนี่ยก็เพราะว่านิพามันก็จะเอาแต่มันก็จะทําเหมือนเดิมออกไปมันก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็จะมาปฏิบัติห้าวันแล้วมันก็กลับไปสามร้อยกว่าวันไปชินเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเนี้ยแล้วใครจะมาให้เหนื่อยอีก่ะมันไม่มีใครเหนื่อยไหวแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ย ยังลวงพ่อเยี่ยนเนี่ยบอกผมตั้งแต่วันเจอกันเลยเห็นผมออกไปยืนเดินบรรยายนธรรมเนี่ยจาไว้นะช่วยคนที่เขาช่วยตัวเองถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองพูดคำเดียวแล้วไปต่อได้เลยไม่ไหวช่วยฉันพูดแค่นี้วันนี้ก็ไม่ไหวช่วยแล้วคือถ้าไม่ช่วยตัวเองก็ไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไร เพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนที่คําพูดผมสักหน่อยคพูดผมมันแค่มาจุดประกายจุดเปลี่ยนของชีวิตของแต่ละคนเท่านั้นเองโอ้โหเข้าใจแล้วแต่พอเข้าใจไม่ต้องไปทาต่อที่พระเจ้าบอกว่ารู้แล้วต้องไปทําไม่ใช่รู้แล้วรู้เฉย ๆ, ๆชอบฟังชอบฟังชอบฟังแล้วมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วมันจะไปแก้อะไรนี่แหละพอได้ยินคําว่าเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการเปลี่ยนจนกระทั่งเข้าสู่มิติใหม่ เมือนทีชาวต่างชาติมานะผมไม่ต้องสอนอะไรเขาบอกาอยากนะผมบอกไม่ไม่ได้เกี่ยวกับยากถ้าอยู่เข้าไปชินกับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเกิดได้ยังไงอีกฝั่งหนึ่งจะเกิดได้ยังไงวันนี้เราชินกับความหลงเราก็เลยรู้สึกว่าการมีสติยากการมีสัมปชัญญะยากแต่ยุทถ้าเราอยู่ฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวันจกนกระทั่งอยู่มาชินกับฝั่งนี้ยมีสติสัมปชัญญะเนี่ยแล้วใครจะบังคับให้เราหลงได้ พอกำลังจะหลงมันก็เด้งกลับไปมีสติสัมปชัญญะจะหลงก็เด้งกลับไปมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้ามันยังไม่ไม่เปลี่ยนทางเนี่ยทํำยังไงก็เสร็จมันแล้ววิแล้วอย่างนี้ใครจะมาแก้ให้ใครพระเจ้าบอกใครจะมาแก้ทุกข์ให้ใครก็บัญชินกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดจะออกแล้วถ้าวันนี้ท่านลองเปลี่ยนทางสมมติว่าท่านบรลลูทำแล้วท่านเห็นคนที่เขาทํากันอยู่อย่างเนี้ยแล้วเขาก็มาทําอย่างเนี้ยแล้วเขาก็กลับไปทําอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็ท่านเป็นคนไปยืนบอกยืนบอกยืนบอกทุกวันเนี่ยท่านจะยังยืนบอกไหมก็ในเมื่อเขาไม่ทําแล้วอ่ะเขาทําอย่างที่เขาอยากทําอ่ะเขาแค่มาทำนี้เหมือนกับอาหารเสริมแล้วเขาก็กลับไปทําอย่างที่เขาอยากทำํำแล้วคนไทยกันพ้นทุกจะอยู่ตรงไหนเรื่องมันมีแค่เนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีแค่เนี้ยจึงเป็นที่มาที่ผมเริ่มเข้าใจหลวงพ่อที่บอกว่าช่วยคนที่เขาช่วยตัวเอง ถ้าก็ช่วยตัวเองเขาอาจจะไปหาเราเองก็ได้คนที่เขาสนใจแต่วันนี้ที่เราออกไปหาพวกเขาเนี่ยเราก็ช่วยเขามากแล้วเราให้ทุกอย่างแล้วแล้วท่านก็พูดคํานึงคือธรรมะไม่ได้มีไว้ไขายนะไม่ใช่มีไว้พูดให้ใครชอบหรือใครไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกของมันสวนทางกับกิเลสแต่มันจะมีคนที่พระเจ้า บ, บอกว่าผู้มีปัญญาผู้มีดวงผู้มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยอยังมีอยู่ สาวกจึงต้องเดินประกาศออกไปเรื่อยๆประกาศออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมว่าอยากทําไม่อยากทํอาทอะไรหรอกแต่มันอยู่กับตัวพวกเราที่เดินเข้ามาแล้วต้องเข้าใจนะการจะละความเห็นผิดการจะละความเคยชินทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวพวกเราไม่ได้มาอยู่ที่คนพูดนะพูดให้เข้าใจแล้วก็ไปทําเองถ้าทําไม่ได้ก็ไม่จะไัไงไหมเอาละเรื่องต่อไปเนี่ยที่ท่านอาจาพุทธทาสพูดถึงก็คือความเป็นอยู่โดยชอบคือ อายมามีองแตกเพราะฉะนั้นเมื่อความเป็นอยู่โดยชอบเกิดขึ้นแต่ทางคนิพานจะขยายตัวออกนะก็พอนึกออกละจากที่บอกจุดจากจุดห่างๆก็จุดก็เริ่มใกล้กันใกล้กันมากขึ้นเพราะเริ่มดิเลตจากการที่เราท่อนเหล็กของเรามันจมแช่อยู่ในน้ำเน่ามันถูกดึงขึ้นมาไว้ข้างบนแน่นอนที่สุดช่วงแรกๆมันก็ยังมีผลต่อใจนะ แต่ถ้านานไปนานไปสนงสนิมมันก็ขึ้นเกาะไม่ได้มันก็ค่อยๆสะอาดไปโดยธรรมชาติมันก็เริ่มแยกชั้นกันยิ่งนานออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแยกชั้นกันชัดเจนเพราะฉะนั้นตทางคะก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ท่านก็บอกว่าตะทางคะนิพพานเนี่ยก็อย่าไปหลงพวกสภาวธรรมทั้งหลายก็จะไปบ้าสภาวะธรรมว่าวโอโ้ฉันเกิดตะทางคะนิพพา น, พนพท่านเพื่อท่าก็พูดไว้เลยอย่าไปจับที่ตัวตะทางคะนิพพานให้ไปจับที่ความเป็นอยู่โดยชอบ ความเปอยู่ในชอบคืออดียมาร์กมีองค์ศมาร์กเป็นเหตุผลคือนิโรธอย่าไปหลงทําผลอีกอแล้วก็ไปอยากได้ผลอีกเนี่ยพอพูดอย่างนี้พวกคนก็จะเด้งไปทําผลอยากเป็นพระโสดาบาลพอเด้งไปทำพระยินพระโสดาบันทีนี้ตัวตนก็เข้าแทรกเลยดิไม่ทําเหตุแล้วจะเอาผลพอจะเอาผลก็มีตัวตนดิใครอนะไจะเอาผลแต่ถ้าคนที่เขาทําเหตุอย่างเดียวเนี่ยผลจะเกิดไม่เกิด ไม่ใช่สาระไม่เห็นอยากเป็นอะไรเลยก็แค่ปฏิบัติไปให้พ้นทุกทุกวันนี้มันทุกก็มีแค่เนี้ยทุกวันนี้ทุกนนท ก, นนก็ทําปฏิบัติให้พ้นทุกแล้วเดี๋ยวมันพ้นเองเดี๋ยวก็ถึงเองแต่คนที่อยากถึงอยากได้เนี่ยกลายเป็นย้อนกลับชําด้าตัวตนไม่ออกนะเปลี่ยนความเคยชินมาทางของอริยมรรคเรื่อยไปจะตัดกิเลสไปในตัวเรื่องมีแค่เนี้ยนะเอาละเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เอาไปปฏิบัติต่อ บ่ายนี้เราก็คงจะลงมาในเรื่องของขรยมัคสู่อริยสัจสี่นะปัญญาการตัดสู้ที่จะรู้แจ้งขึ้นมาได้ยังไงตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นเส้นทางต่างๆชัดเจนขึ้น<ม>นึกว่ามานั่งฟังให้อะไรคือคนที่เขานั่งฟังผลเดียวแล้วเขาเข้าถึงธรรมได้เลยเนี่ยที่เป็นเวณยสัจทั้งหลายเนี่ยในเวณยสัจเนี่ยก็จะมีแบ่งอีกมาแบ่งอีกหลายหลายประเภท หลายกลุ่มเวนิยสัตว์กลุ่มที่มีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยที่พผู้ชอบตราก็คือพูดคําโดยไม่ต้องอธิบายอย่างเช่นมีคนมีความทุกข์อย่าไยึ น, นมั่นถือมั่นแค่นั้นเองไม่ต้องอธิบายบรรลุ ธ, ธรรมได้เลยพวกนี้อินทรีย์แก่กล้ามากไม่ต้องอธิบายอันนี้ต่างความเข้าใจของเราแต่ที่ผู้จ้าตรจริงๆไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> ท่านบอกว่า ยังไม่พูดอะไรเลยเขาบรรลุธรรมแล้วแค่เขาเห็นเขาบรรลุเลยนั่นอินทรีย์แก่จริงๆกับพูดหนึ่งคำไม่ต้องขยายความแล้วหลังจากนั้นเมื่ออินทรีย์หย่อนลงไปพูดอธิบายเขาจะเริ่มถามกลับนะว่าอสมมติว่ า, า, า, วาแล้วยึดมั่นถึงมั่นคืออะไร สมมติอย่างนี้นะสมมติเฉยๆนะไ ม, ไม่ได้มีคำอธิบายนะแต่สมมุติทห่เข้าใจก็อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวถูกหลุดถ้าอ่อนกว่านั้นอีกแล้วขันห้าคืออะไรท่านก็จะต้องเริ่มอธิบายรูปนามกายใจขันห้าี่หลุดแล้วทีนี้จะเริ่มลึกออกแล้ว แต่ก็อย่างว่าล่ะนี่สองพันหกร้อยปีสองพันห้าร้อยปีหกร้อยปีแล้วก็ต้องใช้ทั้งโปรเจคเตอร์ทั้งสื่อทั้งอะไรนทุกอย่างล้ะนะทุกอย่างถ้าคำเดียวก็มีคนเข้าและคอสบอกว่าพูไม่รู้เรื่องภูมรู้เรื่อง